ห <Book> <63 S 3> กสิบสามสาสการตั้งคำถามสองเติเลสปอร์สมโลดิฉันมีงานอดิเรยก <S <S 2> <S 2> ยายมีงานอดิเรดิฉันเล่นเทนนิส สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะว่ i เอิร n ทเอ็นเทนนิคุณมีงานอดิเรกไหมหาดู d อ็นฮอร์บีดิฉันเล่นฟุตบอลยัยเล่นฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Wo าเอิร์ทเอ็นฟุต l อลบ้ ดิฉันเจ็บแขนมินอามเก่าอุดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยมินฟุตและมินหงเก่าเสีอุมีคุณหมออยู่ไหมคะว่าเอารถอินหรี่ดิฉันมีรถอยากหาอ n นบิดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย ฉันมออซรอยน์มอเตอร์ไซ l ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะว่าแอร์เตอร์พาร์กอิงสพลสดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ฉันมีเสื้อเตและเกง้อฉันมีแจ็คเก็ตและกางเกงยียนด้วยฉันมีแจ็เก็ตและากงยัก็ตและกางเกงยีนด้วย เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะโอเอร์ท่อินวัสดีแมชีนดิฉันมีจ า, า, านดสอมและชอฉันมีมีดสอมและชออล้อนฉันมีมีดสอมและช้อนฉันมีมีดส้อมและช้อนฉยนมีมอมและชนฉนีละอนสและี้อและชยยนฉอะนะ วัวและสัตว์ตัวผู้